อย่างที่พูดไว้เมื่อเช้านะว่าวันวิสาขาบูชาเนี่ยเป็นวันสำคัญของชาวพุทธแล้วก็มีความหมายที่เราควรจะใคร้ครวนพิจารณาเพราะมันมีความสำคัญเนี่ยกับชีวิตของเรามากทีเดียวมากอย่างที่เราอาจจะนึกไม่ถึงหรือว่าไม่ได้ค่าคิดมาก่อนพวกเราก็รู้กันนะว่าวิสาขาบูชาเนี่ยเป็นวันที่เราเลือกถึง การประสูตรตัดสรุปแลบปริญิพานของพระพุทธองค์ที่เราลืกถึงพร้อมๆกันทั้งสามเหตุการณ์ก็เพราะว่าทั้งสามเหตุการณ์นี้เนี่ยอุบัติขึ้นในวันเดียวกันคือวันเพ็นเดือนหแต่ว่าคนละปีนะคนละปีการตัดสรุป ข, ของพระองค์เกิดขึ้นหลังจากการประสูตนี่ิปี และการปรินิพนธ์ของพระองค์ก็เกิดขึ้นหลังการตัดสรุ45ปีควาว่าประสูตัตดสุรุปรินิพนธ์เนี่ยนะลองใครควณดีๆนะมันมีความหมายสองด้านในด้านหนึ่งก็ที่เห็นถึงสัจธรรมของทุกชีวิต ก็คือเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องตายพระพุทธองค์นะทรงเป็นมหาบุรุษนะแล้วเราชาวพุทธก็เชื่อว่าทรงมีพระคุณสมบัติมากมายอย่างที่เราได้สาธยายเนี่ยพุทธคุณร้อยประการที่จริงเนี่ยทรงมีมากกว่านั้นนะอิทธิปฏิหารนะหรือว่าความสามารถพิเศษทาง จิตของพระองค์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของพุทธคุณน ะ, ะซึ่งเรายังไม่ได้สาธยายเท่าไรแต่แม้กระนั้นเนี่ยพระองค์ก็ตรงก็ต้องอยุ่ภายใต้กฎอนิจจังนะทุกขังอนัตตาก็คือว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนะก็ย่อมมีความแก่ความชาราอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงก็คือมีความเปลี่ยนแปลง ทุกขังก็คือความเสื่อมนะแล้วก็ดับนะทั้งนี้เพราะว่ามันไม่มีตัวตนของมันเองนะไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรนะที่จะคงอยู่ชั่วนินนรันดร์อันนี้แปลว่าคือความหมายหนึ่งของไม่มีตัวตนหรืออนัตตาเราทุกคนก็ตกอยู่ภายใต้สัจธรรมความจริงข้อนี้นะ ไม่ว่าอายุเท่าไรบางคนก็อายุสิบขวบบางคนก็สิบสองบางคนก็สิบห้าบงคนก็สามสิบหลายคนมีกำลังวังชาดีไม่รู้จักคำว่าแก่แต่ในที่สุดก็ต้องแก่และระหว่างนั้นเนี่ยก่อนที่จะตายก็ต้องเจอความพัดพรากสูญเสียนะครที่เรายังไม่ตาย สิ่งอื่นที่เราเกี่ยวข้องมันเสื่อมมันตายก่อนเราถ้าเป็นข้าของก็คือว่ามันเสียหายมันใช้การไม่ได้จะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าโทรศัพท์ของเล่นคอมพิวเตอร์นะรถยนต์พวกนี้ที่มันเสื่อมมันดับไปในอดีตที่ผ่านมาของเรานี้ก็เยอะแยะและไม่ใช่แค่สิ่งของ จะรวมถึงคนที่เรารักด้วยอาจจะเริ่มต้นจากปู่ย่าตายายเสร็จแล้วก็พ่อแม่แล้วก็อาจจะไปถึงเพื่อนฝูงมิตรสหายอาจจะไปถึงพี่น้องของเราแ น, นี้คือความเสื่อมความดับอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาที่มันแสดงตัวในระหว่างที่เราเองก็กำลังแก่ เราอง ก, ก็กลังชรานะก่อนที่จะถึงวันตายของเราเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะความเสื่อมความดับของสิ่งที่รักนะคนที่รักนะฟังดูก็ชวนหดหูนะสหรับคนที่ไม่เคยคิดเรื่องนี้แต่ว่าในอีกด้านหนึ่งวันวิสาข บ, บูชา ก็เหมือนกับว่าเป็นข่าวดีก็คือว่าคนเราเนี่ยสามารถที่จะพ้นจากสภาวะหรือสภาพเช่นนั้นได้นะคือว่าสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้การตัดสู้ของพระพุทธเจ้านไม่ใช่เป็นเรื่องพิเศษนะเฉพาะคนคนหนึ่งแต่ว่าเป็นสิ่งที่สามารถจะเกิดขึ้นกับคนอื่นก็ได้ เพียงแต่ว่ากับคนอื่นเราไม่เรียกว่าตัดสรุนะเราเราเรียกว่ารู้แจ้งตัดสรุก็คือว่ารู้แจ้งโดยพระองค์เองไม่มีครูบาอาจารย์เรียกว่าสัมมาสัมโพธิญาณก็คือว่าเป็นญาณเครื่องตัดสรุที่บังเกิดขึ้นโดยพระองค์เองเป็นการตัดสรุปโดยชอบส่วนที่เหลือนั้นเนี่ยนะ หลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถจะตัดสรุ้ได้แต่ว่าไม่ได้เพราะตัวเองแต่อาศัยคำสอนของพระองค์อาศัยแบบอย่างของพระองค์อาศัยความลับที่พระองค์ได้ทรงเปิดเผยนะแล้วก็นำมาแสดงให้กับพวกเรานะต่อเนื่องกันมาสอง0รปีอันนี้เป็นข่าวดีนะข่าวดีว่าแม้ชีวิตคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยต้อง เจอกับความพัดผ่าสูญเสียเจอความเจ็บความป่วยและสุดท้าก็เจอความตายแต่ว่าเราสามารถพ้นทุกได้นะการตัดสโลของพระองคนะ์เป็นเครื่องหมายว่าการพ้นทุกขเนี่ยมันทําได้จริงมันเป็นไปได้แล้วก็ควรจะเป็นด้วยนะถ้าเราเระลึกเช่นนี้เนี่ยนะก็ควรจะเอาการตัดสโลของพระองค์เนี่ยมาเป็น แบบอย่างหรือจุดหมายในการดำเนินชีวิตของเรานะจะเราเป็นอุดมคติของชีวิตก็ได้แล้วเราก็พยายามเดินไปทางนั้นโดยอาศัยคำสอนของพระองค์นะซึ่งวางไว้เป็นระบบซึ่งสามารถจะทำได้จริงอันทเราเอาความพ้นทุกเนี่ยเป็นจุดหมายของชีวิตนะ แล้วก็พยายามที่จะเดินไปนะตามเส้นทางนั้นเนี่ยอันนี้ก็หมายความว่าชีวิตเราเนี่ยมีธรรมะธรรมะทิวาเนี่ยและลดจริยธรรมนะจริยธรรมก็หมายถึงว่าธรรมะนะที่เรามาใช้ในการดำเนินชีวิตจริยธรรมเนี่ยจะแปลว่าความดีก็ได้ แต่จริงๆแล้วความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมันหมายถึงว่าการเดิมเนินชีวิตอันประเสริฐนะซึ่งความหมายหนึ่งที่เราคุ้นเคยคือพรหมจรรย์นะพรหมจรรย์รือจริยธรรมนีนะ่ก็คือความหมายอันเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในด้านหนึ่งของวิสัยขบูชานะก็เชื่อเห็นถึงเส้นทางชีวิตนะที่พึงปรารถนาซึ่งจะช่วยทําให้เราพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ย ประสูตรตัดสุรุปรณิพานเนี่ยนะจึงเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงธรรมะสองประเภทหรือธรรมะสองชนิดชนิดแรกคือสัจธรรมสัจธรรมความจริงเช่นเกิดแก่เจ็บตายพัดภาคสูญเสียอันนี้เป็นความจริงเป็นสัจธรรมที่เราควรจะรู้นะถ้าเราไม่รู้เราไม่ตระหนักและเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ ถึงเวลาที่แก่ชาราถึงเวลาที่นะเจ็บป่วยถึงเวลาที่สูญเสียพัดพรากเราก็จะทุกข์เราก็จะร้องไห้คร่ำครวญอะไรเอาวอนะจะทําเป็นความจริงที่เราต้องเห็นต้องตระหนักและขณะเดียวกันจริยธรรมก็คือสิ่งที่เราต้องบําเพ็ญเอามาบําเพ็ญเอามาปฏิบัตินะซึ่งจะนํา พาให้เราถึงความพ้นทุกข์ซึ่งท่านจะพูดไปแล้วก็คือหนทางที่จะพาเราให้เห็นแจ้งในสัจธรรมนั่นเองเพราะถ้าเราเห็นแจ้งในสัจธรรมความพ้นทุกข์ก็บังเกิดขึ้นได้กับเราพุทธศ า, าสนาก็มีแค่สองอย่างนะที่เป็นแก่นแท้ในส่วนที่เป็นธรรมะเนี่ยคือสัจธรรมและจริยธรรมสัจธรรมคือความจริงที่เราต้องตระหนักแล้วเราหนีไม่พ้น จริยธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะเลือกนะเราไม่เลือกก็ได้นะเราก็ใช้ชีวิตอย่างประมาทนะทำชั่วผิดศีลนะเมาหัวรา น, น้ำนะอันนี้เราเลือกได้แต่คนฉลาดก็จะเลือกที่จ ะ, ะดําเนินชีวิตให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมเรียกว่าชีวิตนั้นเราเรียกว่าพรหมจรรย์นะพรหมจรรย์นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าชีวิตที่ ไม่มีเพศสัมพันธ์อันนั้นเป็นความหมายที่แคบความหมายจริ ง, รงๆก็คือชีวิตอันประเสริฐพรมนี่แปลว่าประเสริฐจันเนี่ยก็กับคําว่าจริยะนะอันนี้ความหมายเดียวกันมันหมายถึงการปฏิบัติหรือเส้นทางวันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันที่เรานะนะควรจะน้อมระลึกนะนะถึงการตรัสรู้ของพระองค์และ บอกกับเราเองว่านะการพ้นทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้และคนแทนการพ้นทุกข์นั้นเนี่ยนะก็คือการนะฝึกฝนตนฝึกฝนตนนะเริ่มต้นด้วยกายวาจาแล้วก็นำไปสู่การฝึกฝนจิตใจบันไดสามขั้นนี้ก็เราเรียกว่าไตรสิกขานะไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาศีลนี่ก็คือการประพฤต การฝึกตนทางกายวาจานะส่วนสมาธิก็คือการฝึกใจเพื่อน้อมไปให้เกิดการพัฒนาด้านปัญญาปัญญาคืออะไรก็คือการเห็นแจ้งในสัจธรรมนะเห็นแจ้งจนรู้ว่าทุกมันเกิดจากอะไรนะอย่างที่พู้เจ้าเนี่ยได้ตรัสกับ คนคนนึงนะชื่ออุ ป, ปกะหลังจากที่พระเจ้าตัดสรุ้แล้วเนี่ยนะพระองค์ก็หลังจากที่บำเพ็ญวิมุติสุขนะอยู่เจอาทิตย์พระองค์ก็เริ่มที่จะบำเพ็ญประโยชน์ท่านละก็คือออกเดินทางนะเพื่อที่จะนำธรรมะของพระองค์เนี่ยมาเผยแผ่ให้ผู้คนได้เห็นทางออกจากทุกข์ เป็นจริยาที่เกิดจากพระกรุณาคุณอันไม่มีประมาณก็ไปเจอคนคนหนึ่งนะชื่ออุปปะกระหว่างทางก่อนที่จะเจอปัญจวัคคีย์ก่อนที่จะเจอชดินสามคนเนี่ยจะเจออุปประกาศก่อนอาชีวกเขาก็ถามพระเจ้าเนี่ยว่าใครเป็นศาสดาของท่านพู้เจ้าต่อบพระองค์ไม่มีใครเป็นศาสดาแล้วก็ถามพระองค์เนี่ยนะได้เห็นอะไรบ้าง พระเจ้าก็ตรัสนะสอนบอกทางให้กับอุปกะว่าความทุกข์ทั้งมวลเนี่ยนะมันมีรากเหง้ามีมูลเหตุมาจากตัณหาอุปาทานนะตัณหาคือความที่หลนทยานอยากทั้งอยากได้แล้วก็อยากผลักไสนะเราอยากได้ของอยากได้เงินอยากกินอาหารอร่อยนี่ก็เรียกว่าตัณหาเจอความร้อ น, นเจอยุ่ง เจอความลำบากเราก็อยากผลักสายออกไปเจอเสียงดังก็อยากผลักออกไปนนี้เรียกว่าเป็นการอยากเป็นการอยากชนิดหนึ่งนะอยากผลักใสตัณหาคือความทะยันอยากความดิ้นรนอุปทานคือนะความยึดมั่นยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราพูุทธเจ้าตัดต่อไปว่าเนี่ยสิ่งที่เกาอเกี่ยวยึดเหนียวว่าเป็นตนเป็นของตน นะไม่เคยทำให้ใครมีความสุขได้เลยนะมันมีแต่ทำให้เกิดทุกข์อันนี้มันเป็นคำสอนที่ลึกซึ้งมากนะคนทุกวันนี้เนี่ยคิดว่านะเราจะไร้ทุกข์ถ้าเกิดเรามีมากๆนะเรามีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัตนะิมีการงานนะมีอาชีพที่มั่นคงมีคนรักนะ รวมทั้งได้เศษนะได้ครอบครองนะหลายคนคิดว่าเราจะมีความสุขถ้าเราได้ไปเที่ยวนะได้ไปกินอาหารอร่อยได้ฟังเพลงเพราะได้ดูคอนเสิร์ตระดับโลกนะหรือว่าได้ไปเที่ยวห้างแต่ว่าไอความสุขเหล่านั้นเนี่ยนะมันเป็นความสุขที่ชั่วคราวนะเป็นความสุขชั่วคราวตามมาด้วยทุกยาวนาน หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเรามีแล้วเนี่ยเราก็ดีใจนะไม่ต้องพูดถึงว่าถ้ามีไม่ได้นะหรือว่ามีไม่สำเร็จนะอันนี้ทุกข์แล้วจริงๆเนี่ยก่อนที่จะมีเนี่ยมันก็ต้องดิ้นรนนะดิ้นรนนะต้องแข่งขันอันนี้ก็เหนื่อยแล้วบางทีเนี่ยมีเงินเนี่ยไม่ใช่ว่าจะซื้ออะไรได้นะนะอย่างคนมีเงินเนี่ย แต่อยากได้ iPhone 7S iPhone 7 plus เนี่ยก่อนใครเนี่ยมีเงินอย่างเดียวทำไม่ได้นะต้องไปนั่งรอต้องไปยืนรอนะ mm. เขาเริ่มเปิดขายวันแรกเนี่ย9โมงเช้านี่หลายคนก็ไปเฝ้ารอนะตั้งแต่ตีสตี4แล้วพอห้างเปิดนะมีเงินแต่ซื้อไม่ได้ก็ก็มีเยอะนะอันนี้เราทุกข์นะ ทุกเนี่ยตั้งแต่มันต้องเฝ้ารอแล้วเฝ้ารอซื้อหลายคนเนี่ยไปปารีสเนี่ ย, ยก็จะไปซื้อตั้งใจว่าจะไปซื้อกระเป๋าหรือผลิตภัณฑ์ของหลุยส์วิตตองมีเงินก็ไม่ใช่ไปซื้อได้นะเพราะต้องไปเข้าคิวด้วยต้องมีเวลาบางทีอากาศก็หนาวนะเดือนธันวาเดือนม ก, กราเนะีมีเพื่อนคนหนึ่งไปเจอนะคนที่เข้าคิว จนก็ะทังล้นออกมานะถึงถนนแล้วก็ยาวเหยียดหนาวก็หนาวเพราะมันเป็นเดือนธันวาแต่คนก็เฝ้ารอนะเป็นชั่วโมงอย่างนี้เรียกว่าสุขหรือทุกนะมันทุกนะและถ้าไม่ได้เนี่ยของหมดนะก็ยิ่งเสียใจแต่ถึงได้มาก็ไม่เช่าจะมีความสุขไปยาวนานนะแล้วก็มีความสุขชั่วคราว พอมันมีรุ่นใหม่ออกมาไอโฟนะรุ่นใหม่ออกมานะกระเป๋ารุ่นใหม่ออกมาไอของเดิมที่เรามีเราก็รู้สึกเบื่อมันซะละนะคนที่ใช้ไอโฟนสตอนนี้เนี่ยนะก็ใช้แบบกระมิกรเมียนะไม่อยากจะบอกใครไม่อยากจะโชว์ใครทั้งทั้งที่ตอนที่ซื้อมาเมื่อมันเพิ่งออกมาครั้งแรกเนี่ยรู้สึกดีใจภูมิใจโอ้ยเรามีของดี แต่ตอนนี้ไม่อยากจะโชว์ใครแลวไม่อยากจะบอกว่าเราใช้ p อ o n น4 i นะเพราะมันตกรุ่นไปนานแล้วอันนี้ก็ทุกนะเป็นความทุกข์ดีใจชั่วแค่ครึ่งปนะีแล้วก็ความดีใจก็หายไปนี่เรียกว่าสุขชั่วคราวนะแล้วก็ทุกยาวนานก็เพราะว่าต้องคอยรักษาต้องคอยดูแลนะต้องคอยดูแล กลัวคนขมโมยนะความพูดที่เาเรียกว่ามีทองเท่าหนวดกุ้งนะสะดุ้งทั้งคืนเนี่ยนะอันนี้เป็นคำสำนวนเป็นคำโบราณนะที่มันก็มันก็สะท้อนนะถึงความจริงที่ว่าคนเราเนี่ยถ้ามันมีทรัพยนะ์มันมีของมีค่าเนี่ยก็ไม่ใช่จะมีความสุขนะสมัยก่อนนี่นะมีทองเท่าหนวดกุ้งนี่ก็เรียกว่า อิ่มเอมละเร็มปรีนะแต่ว่ามันก็เจอไปด้วยทุกนะต้องคอยรักษาต้องกลัวคนขโมยมันไม่ใช่เฉพาะทองทั้งหวดกุ้งแล้วนะนะอย่างอื่นด้วยจะรดราคาแพงเบนซนะ์รัมโบกินนีนะ่มีซื้อได้แล้วก็ไม่พอนะก็ต้องหาต้องหาหาอู่จอดรถหาโรงจอดรถให้กับให้กับรถต้องเปิดแอร์ที่นะ เ, เคยไปร้านเคยไปบ้านของเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยมีเรมเบลกินนี่ยี่สิบล้านจอดอยู่ในอู่ซึ่งติดแอมีกระจกสามสี่ด้านล้อมเลยทำไมต้องใช้กระจกเพราะว่าจะได้อ่ดูว่ามันมีหนูเข้าไปไหมนหนูถ้าหนูเข้าไปมันก็ไปกัดกินสายไฟเนี่ยเสียหายอีกนะ น่าต้องคอยเฝ้าคอยคอยระวังถามว่ามีความสุขไหมนะไม่มีนะแต่ว่าก็จาจำไปต้องทำเพราะห่วงต้องแหนแล้วบางทีไปไหนมาไหนบางทีโดนรถเฉียวชนนะโกรธนะโกรธคนที่เฉียวชนโกรธคนที่เฉียวชนแล้วทำไงบางทีลืมตัวนะไปลากเข้ามาต่อยนะไปลากเข้ามาตบนะอย่างที่เป็นข่าวเมื่อ สห้าเดือนก่อนนะไปต่อยไปตบนะคนที่ขับรถไปชนท้ายรถที่แสนลักแสนหวงเสียจแล้วเป็นไงคนก็ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ไปขึ้นเฟซแล้วก็เลยกลายเป็นการประกาศประจานสุดท้ายนะเจ้าของรถก็ถูกคนด่าทั่วเมืองเจ้าของสัญญาต่างๆก็ถอนตัวหมดนะ เลิกสัญญากลายเป็นว่าการงานนี่ที่เคยมีมั่นคงแน่นหนานี่หายวปบไปเลยอันนี้ก็สอดคล้องที่พระพุทธตรัสกับอุปกานะว่าสิ่งใดก็ตามนะที่เกี่ยวพันยึดมั่นนะว่าเป็นตนของตนหรือว่าเป็นเราของเราเนี่ยที่จะไม่ทำให้เป็นทุกข์เนี่ยไม่มีนะนี่เฉพาะที่ได้มานะที่ไม่ได้เนี่ยนะ มันก็ทุกอยู่แล้วที่ได้มาก็ทุกเพราะนั้นเนี่ยไอ้ความคิดที่ว่ามีมากๆเนี่ยจะทำให้เราสุขเนี่ยนะมันเป็นความหลงนะมันเป็นอวิชชาเลยก็ไดนะ้เพราะว่ามันให้ความสุขก็จริงแต่มันสุขชั่วคราวแต่ทุกยาวนานเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงเพราะว่าเบื่อง่ายนะ สุขที่เราคุ้นเคยรู้จักเนี่ยสุขจากการเสพทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางสัมผัสนะไม่ว่าจะเป็นหนังดนตรีอาหารการท่องเที่ยวนะหรือแม้กระทั่งเพศสัมพันธ์เนี่ยไอย้พวกนี้เนี่ยสเสน่ห์ของมันก็คือว่ามันทำให้สุขได้เร็วนะอยากสุขไวๆนี่ก็กินอาหารอร่อยฟังเพลงเพรา ะ, ะดูหนังเนี่ยมันสุขเร็วแต่มันก็หายไว มันก็เบื่อเร็วนะมันหายไวแล้วก็เบื่อเร็วนะจะสุขเท่าเดิมนี่ก็ต้องหาใหม่ที่มากกว่าเดิมที่แปลกกว่าเดิมนะเช่นอาหารที่อร่อยถ้าเรากินเนี่ยนะมือแรกก็อร่อยนะแต่ถ้ากินทุกมือทุกมือนะไปสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยที่อร่อยมันก็เลยเริ่มรู้สึกเฉยๆแล้วแล้วถ้ากินต่อไปนะอีกอาทิตย์หนึ่งนะมันก็เริ่มเบื่อแล้ว แ้วถ้ายังไม่หยุดกินนะกินทุกมือนะมันก็เริ่มเอียนแล้วแล้วถ้ายังไม่หยุดกินกินต่อไปนะบางทีก็อาจเจียนเลยนะอาจเจียนเลยถึงแม้จะเป็นหูฉลามจะเป็นพิซซ่าหรือว่าจะเป็นอาหารมิชลินสามดาวก็แล้วแต่มีเงินนะที่ได้ก็ดีใจนะหรือว่าได้เสื้อตัวใหม่ก็ดีใจนะได้รองเท้าคู่ใหม่ราคาแพงนะยี่ห้อดังดีใจแต่พอใช้ไป สักสองสมเดือนหรือบางทีไม่ได้ใช้เลยเพราะมันมีเยอะมากจนไม่ทันใช้นะเช่นรองเท้าร้อยคู่นะเสื้อสองร้อยตัวเนี่ยไม่ทันได้ใช้แค่แขวนเอาไว้เห็นไปนานๆก็เบื่อแล้วนะเห็นไปนานๆก็เบื่อแล้วอยากได้ตัวใหม่เนีอันนี้มันไม่ใช่วิเทียงความสุกนะมันไม่ใช่วิเทียงความสุขเลยมันไม่ใช่ความสุขที่แท้นะอย่างที่ได้พูดเมื่อช้านะว่า เราเคยสงสัยไหยว่าทำไมการพน้นการดับทุกข์หรือว่าการออกจากทุกข์ของพระองค์ทำไมการเข้าถึงความสุขอันประเสริฐของพระองค์เนี่ยจึงไม่ได้เกิดจากการที่ออกไปวิ่งนะไปวิ่งเต้นครอบครองสิ่งต่างๆมากมายจริงๆผู้จ้านเนี่ยก็เคยผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วนะสมัยที่เป็นเจ้าชายศสด็ทธธัตถะไม่ต้องวิ่งไม่ต้องไปหาเลยนะมีแต่คนเอามาปนเปื้อนนะ พระราชบิดาเจ้าชายพระพระเจ้าสุโธธนะนี่เอามาปลนเปรเลยนะทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสขนาดไม่ต้องออกไปหาไม่ต้องดิ้นลนนะพระอค์ยังเบื่อเลยนะไม่งั้นไม่ออกไม่หนีออกจากปร า, า, นะาสาทมาแสงหาทางดับทุกข์แล้วก็เห็นความสำคัญการดับทุกข์มากเคยเชื่อว่าการ บำเพญ็ญทรมานตนหรือทุกขกรกรยิยานี่จะช่วยทำให้ดับทุกข์ได้ทรมานตนอย่างไรก็ยอมเจ็บยอมปวดนะนอนบนตะปูหรือว่ายืนขาข้างเดียวนะเป็นเดือนๆนะหรือว่ายืนสองขาแต่ว่ายืนเป็นปีไม่ยอมนั่งทุกวันนี้ก็มียังมีอยู่เลยนะมีฤาษีนะมีพวกโยคีเนี่ย บางคนเนี่ยในช่วงสมัยพุทธกาลเนี่ยมีบางคนในยืนยืนอย่างเดียวเลยนะไม่ไปไหนไม่ขยับขยื่นเลย้ตนต้นไม้นี่มันมันออกมาพันล่างเลยนะออกมาพันล่างเลยพวกเครือไม้เนี่ยมั น, ม, นมันงอกอมาพันร่างเพราะว่ายืนอยู่งั้นเนี่ยเป็นเดือนเดือนเป็นปีปี พระองค์ก็ทำนะแต่สุดท้ายก็รู้ว่ามันไม่ใช่ทางดับทุกข์และสุดท้ายพระองค์ก็พบว่าเนี่ยิธีที่ที่ประเสริฐที่ดีกว่าหรือที่จะเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงก็คือการบำเพ็ญทางสายกลางทางสายกลางนี่ก็เริ่มต้นตั้งแต่นะการฝึกกายวาจาให้มีศีลและฝึกจิตด้วยสมาธิจนเกิดปัญญา แล้วพระงก็นะได้บาเพ็ญการเจริญสมาธิและปัญญาจากการที่นั่งบาเพ็ญเพียรอยู่ใต้ต้นโพแล้วก็มองนะมาดูจิตดูใจเรียกวิปัสสนาจนเห็นแจ้งนะว่าอ๋อที่แท้ความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากการที่เรามีเงินน้อยไม่ใช่เกิดจากการที่เรา ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีรถไม่มีงานการที่มั่นคงนะหรือว่าเกิดจากการที่นะใครต่อใครนะผู้จาดูถูกเรานะีอันนั้นไม่ใช่เลยสิ่งสําคัญเนี่ยมันอยู่ที่ใจนะใจที่ยังมีตันหาอุปาทานใจที่ยังมีความหลงนะเพราะหลงนั่นแหละหรือเพราะมียวิชานั่นแหละนะก็จึงทําให้ตันหาอุปาทานนะมันครอบงําจิตใจ แล้วพอเห็นนะเห็นความจริงว่า้าจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นเป็นเราเป็นของเราได้เลยนะปัญญาก็เกิดติดก็หลุดพ้นนะอันนี้พูดยอ่ยอๆนะเพนะพวกเราเนี่ยนะอาจจะไม่ได้คิดว่าชีวิตนี้เนี่ยจะตัดสั้นเหมือนพระเจ้านะแต่ก็เชื่อพวกเราเนี่ยทุกคนรู้ดีว่าความทุกข์เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเจ็บแสบแค่ไหน มันบีบขั้นจิตใจให้กินไม่ได้นอนไม่หลับหรือทําให้ร้อนรวนกระเวนกระวายเพียงใดเมื่อรู้เช่นนี้แล้วเนี่ยนะเราทุกคนก็อยากจะออกจากทุกข์ทั้งนั้นแหละนะเวลามีความโกรธความเศร้าเสียใจความหมดหูความเบือ่อเราเคยคิดว่าเนี่ยเออถ้าเบื่อนี่ก็ต้องออกไปเที่ยวแต่เราเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่ า, าการเบื่อนี่นะทางออกจากความเบือ่อมันไม่ต้องออกไปเที่ยวนะมันแค่าการมา มาปรับจิตปรับใจของเราหรือการที่เราเนี่ยเริ่มต้นจากการมีสติรู้ตัวเพียงแค่เรารักษาใจของเราให้ดีนะไออารมณ์ตาวนี้เนี่ยนะที่มันเคยทําเรากินไม่ได้นอนไม่หลับจนบางทีใหญ่ให้เราจะทำให้เราน้อยทําให้เราเกิดความน้อยเนือน้อต่ำใจจนอยากจะฆ่าตัวตายจริงจริงเนี่ยมันแก้ได้ที่ใจของเรามันแก้ได้ที่ใจของเราเบื่อแล้วนี่ไม่ต้องอ่ะ แก้โดยการไปหาแฟนมันจะได้หายเบื่อพอเบื่อแล้วเนี่ยไม่ันต้องไปแก้้วยการออกไปเที่ยวห้างจะได้หายเบื่อหรือว่าไปาไปโทรศัพท์คุยกับเพื่อนนะไปชทนะทางไล Facebook, นะ์เฟซบุ o กมันไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้หรือถึงทำเนี่ยมันก็ไม่ช่วยให้หายเบื่อกับทำให้เบื่อเร็วขึ้นเบื่อหนักขึ้นนะคนสมัยนี้เนี่ยนะเป็นโรคแห่งความเบื่อมาก จริงๆเนี่ยถ้าเรารักษาใจของเราเนี่ยนะรักษาใจของเราให้ดีรักษาใจของเราให้ถูกเนี่ยนะ้ความเบื่อมันก็จะหายไปนะมันมีความสงบมีความเย็นเข้ามาแทนที่รักษาใจของเราให้ดีนะคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ทุกข์เพราะอะไรไม่ใช่ทุกข์เพราะสิ่งนอกตัวแต่ทุกข์นะเพราะความหลงนะเราหลงเราลืมตัวเราก็เลยคิดฟุ้งปรุงแต่ง คิดถึงไปถึงอดีตที่เจ็บปวดคิดไปถึงอนาคตที่ยังไม่เกิดแต่สร้างภาพให้มันเลวร้ายตนกระทั่งเกิดความวิตกกังวลจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเวลามีความโกรธเกิดขึ้นแทนที่จะหาทางสลัดความโกรธให้ออกไปจากใจก็กลับคิดวนเวียนอยู่กับคนหรือการกระทำของคนบางคนที่ทำให้เราโกรธ แล้วเกิดความเครียดแค้นเราคิดจมอยู่งั้นแหละนะไม่คิดถึงว่าเออจะใส่ความโกรธได้อย่างไรนะจะให้อภัยเขาดีไหมหรือจะแผ่เมตตาให้เขาก็ยังก็กลับยึดความโกรธนั่นเอาไว้ความโกรธมันดีไหมมันเผาล้นจิตใจแล้วทำไมหวงแหนมันเอาไว้นี่เพราะความหลงนะ เวลาเศร้าเนี่ยเราก็เวลาเศร้าพรออกหักก็ดีเพราะเสียของก็ดีก็เจ้าจุกนะเจ้าจุกกินอะไรก็ไม่ยอมกินเพื่อนชวนไปเที่ยวก็ไม่ไปเอาแต่เศร้านะอันนี้เรียกว่าหลงนะเพราะว่าความเศร้าเนี่ยมันไม่ได้ดีตรงไหนเลยแล้วทำไมเราถึงหวงแหนทำไมเราถึงจะยึดมันเอาไวน้นี่เรียกว่าความหลง ทำให้ทุกข์นะเริ่มจากหลงคิดปรุงแต่งนะในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ในสิ่งที่มันไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเราเลยเสร็จแล้วพอเกิดอารมณ์ขึ้นมาเศร้าเสียใจโกรธโมโหนะก็ไปยึดมันเอาไว้นี่ก็หลงอีกเหมือนกันนะเหมือนกับว่ามีไฟนะมีฐานก้อนแดงแดงนะแทนที่เราจะสลัดมันไปแล้วกลับถือมันเอาไว้ในมือ ถือไว้เนี่ยมันก็ปวดนะมันก็แสบมันก็ร้อนแต่ถือไปทำไมถือเพราะเราลืมตัวเพราะเราหลงอาจจะคิดว่ามันคือทองด้วยซ้ำนะเป็นเพราะความหลงเนี่ยมันจึงทุกข์นะอันที่แรกหลงเนี่ยนะเพราะว่าไม่รู้ตัวนะพอไม่รู้ตัวก็เลยคิดฟุ้งปรุงแต่งถ้าเราลองมาสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นมีสนตะิมีสัพัญญะนะ มันจะคิดฟุ้งปรุงแต่งไปในทางลบทางร้ายเนี่ยมันก็จะน้อยลงเผอคิดไปรู้ทันวางเผอคิดไปรู้ทันวางนะหรือถึงแม้จะเผอไปแล้วปล่อยให้อารมณ์มันเกิดขึ้นนะก็ไม่ให้มันครอบ ง, งำจิตใจเรามีสติเห็นมันนะไม่เป็นมันนะเห็นความคิดไม่เป็นผู้คิดนะเห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะเราเป็นผู้โกรธเราเป็นผู้เศร้า อันนี้แสดงว่าเราไปยึดมาแล้วนะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราคนเราเนี่ยไม่ได้ยึดเฉพาะของรักของห่วงของดีที่ให้ความสุขกับเรานะเช่นรถหรือบ้านเสื้อผ้านะหรือว่าโทรศัพท์คอมพิวเตอร์นะอาหารที่อร่อยเท่า น, นั้นไอ้ของที่ทำความทุกข์ให้กับเราเช่นความโกรธความเศร้าความเกลียดความพยาบาทเราก็ดันยึดนะ เกิดขึ้นทีไรก็ยึดว่าเราเศร้าเราโกรธนะเคยสังเกตไหมว่าเนะี่ยเวลามันเกิดความโกรธความเศร้านะความเกลียดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เกิดเฉยๆนะเราก็้ไปยึดมันนะเป็นผู้โกรธผู้เศร้าผู้เกลียดนี่แล้ว่ายึดว่าเป็นเราเป็นของเราและที่ยึดเพราะแหละเพราะหลงนะเพราะไม่รู้นะถ้าเรารู้ตัวเนี่ยนะนะ ถ้าเรารู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยมันจะวางนะมันจะวางถ้าเราเห็นความคิดนะความเป็นผู้คิดก็หมดไปถ้าเราเห็นความโกรธนะความโกรธก็หายไปแล้วยิ่งถ้าเราฝึกนะไม่ใช่แค่รู้ตัวอย่างเดียวนะแต่ฝึกจนรู้ความจริงนะไอ้หลงที่สาคัญเนี่ยคือหลงประเภทที่สองก็คือไม่รู้ความจริงเรียกยันว่ามีอวิชชา ถ้าเราเห็นความจริงเมื่อไหร่นะมันไม่ยึดอะไรอีกต่อไปเห็นความจริงก็เห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นทุกนะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันอยู่ในวิสัยที่เราจะเห็นได้รู้ได้ถ้าเราฝึกนะให้มีความรู้ตัวนะก็คือไม่ให้มีความหลงประเภทแรกมาครองใจนะเมื่อความหลงประเภทแรกเนี่ยคือความไม่รู้ตัวเนี่ยมัน มายึดคลองจิตใจเราน้อยลงน้อยลงนะต่อไปเราก็จะเห็นความจริงนะไม่ได้เห็นความจริงจากไหนะเห็นความจริงจากกายและและใจนี่แหละเห็นความจริงจากอารมณ์ต่างๆที่ผุดโพลงขึ้นมาเห็นว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะีมันไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้ถึงตอนนั้นแหละก็จะวางนะเมื่อตัณหาอุปทานดับไปเนะเมื่อความทยานอยากดิ้นรน รวมทั้งความสําคัญมตัญไมายว่าเป็นรอยของเราดับไปนะไอร่างเงาของความทุกข์มันก็จบนะเหตุแห่งทุกข์มันก็ดับนะสิ่งที่ตามมาคือความสุขเป็นความสุขที่ใจนะไม่ใช่เป็นความสุขที่กายพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักแต่ความสุขกายนะชเช่นมีพัดลมพัดอยู่ในห้องแอร์นั่งในเบาะนั่งบนเบาะที่สบายมีคนมาลูบไล นะหรือว่ากินอาหารที่อร่อยนะฟังเพลงเพราะนะมีสิ่งอำนวยความสะดวกรถยนต์ไม่ต้องเดินไอ้นั่นมาสุกกายแต่ไม่ได้ทำให้เราสุขใจได้อย่างแท้จริงนะตาใดที่มีความยึดมั่นถือมั่นนะแต่ไมืไ่อกระตามที่เรานะรู้ว่านะสิ่งทั้งปวงนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้นะแล้วเราก็มีสติความรู้ตัวที่รวดเร็วไวพอนะเทีย ทำให้อารมณ์ต่างๆเนี่ยไม่สามารถจะครอบงำจิตใจได้แม้จะยังไม่เห็นความจริงไม่เห็นสัจธรรมไอ้ความหลงชนิดที่สองยังคงอยู่นะยืนพื้นแต่ถ้าความหลงชนิดแรกคือความไม่รู้ตัวเนี่ยมันมันมาน้อยลงนะเรามีความรู้ตัวทั่วพร้อมบ่อยขึ้นทีขึ้นนะเราก็จะพบความสงบนะในจิตใจอารมณ์ก็มารบกวนน้อยลงมีอะไรมากระทบ มีอะไรมากระทบกายก็ไม่กระเทือนใจแดดร้อนมากระทบกายแต่ใจก็สงบความเย็นมากระทบกายแต่ใจก็ยังอบอุ่นมีใครพูดต่อว่าด่าทอแต่ว่าใจก็สงบได้เรียกว่าโลกธรรมแปดคือโลกธรรมฝ่ายบวกและฝ่ายลบมากระทบยังไงก็จิตใจก็ไม่หวั่นไหวภาวะเช่นนี้เนี่ยนะ เปลียนเหมือนกับอะไรนะเปลี่ยนมันก็ดอกบัวเปลี่ยนมันก็ใบบัวนะสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของพระุทธเจ้าเนี่ยนะไม่ใช่บัวอ่ะไม่ใช่กวางนะไม่ใช่ธรรมจักรนะสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของพระุทธเจ้าที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะธรรมของพระพุทธเจ้านะก็คือดอกบัวดอกบัวกับพพุทธเจ้าเนี่ยคือเป็นตัวแทนนะเป็นตัวแทนของ ดอกบัวเป็นตัวแทนพุะเจ้าทํำไมดอกบัวจึงเป็นสัญลักษณ์ของพุะเจ้าเพราะว่าดอกบัวนะี่ยน้ำมาหยดมาหยาดเนี่นะก็ไม่ซึมไม่ติดนะใบบัวก็เช่นเดียวกันนะใบบัวเนี่ยนะเวลาเราเอาเอาน้ําไปหยดนี่นะนอกจากจะมันจะไม่ติดแล้วนะใบบัวนี่ก็ยังจะขยับหรือว่าจะเอ็งเอียงให้หยดน้ํานี่มันไหล นะลงบ่อลงสระไดนะ้อันนี้เป็นสภาวะจิตใจนะของผู้ที่ถึงธรรมแล้วนะก็คือว่าไม่ว่าอะไรมากระทบนะจิตใจก็ไม่หวันไหวนะเป็นจิตที่มีความช่มชื่นเบิกบานไม่มีความโศกไม่มีความเศร้าไม่มีความโกรธวพวกเราเนี่ยนะก็ขอให้ตั้งจิตนะว่านะการใช้ชื่นของเราเนี่ยนะ จะเป็นไปเพื่อทำให้สภาวะเช่นนี้เกิดขึ้นกับเราทำให้จิตของเราผ่องแพ้วแม้ว่าจะอยู่ในท่ามกลางโลกที่มันเต็มไปด้วยความพันผนวนแปรปรวนโลกที่เต็มไปด้วยของความเสื่อมความความดับนะของสิ่งต่างๆแม้กระทั่งร่างกายของเรานะก็ต้องแก่ต้องชาราต้องเจ็บนะสุดท้ายก็ต้องตายแต่ไม่ว่าจะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะกับชีวิตนะกับสิ่งต่างๆที่อยู่รายรอบตัวเราแต่ใจก็ยังสงบได้ขอยรู้จักนะคอยได้สัมผัสกับความสงบในจิตใจนะไม่ว่าเราจะเรียนสูงแค่ไหนนะมีเงินเดือนมากเพียงใดแต่ถ้าชีวิตนี้เนี่ยแม้จะมีความสงบแม้จะมีความสุขกายนะแต่ความสงบใจหาไม่พบมันก็เรียกว่าเสียชาติเกิดนะ ต้องเดียวเสียชาติเกิดเพราะว่าความสงบเนี่ยคือสมบัตินะเป็นสิทธิของเราทุกคนที่เราจะาเข้าถึงได้สงบที่ว่าไม่ได้หมายถึงความสงบภายนอกนะสำคัญกันนันคือความสงบภายในคือความสงบใจและความสงบใจนี่แหละคือสุขที่แท้ซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงเป็นแบบอย่างว่าสงบได้เพราะว่าใจนิรก้กิเลส เพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอีกต่อไปถึงแม้ว่าเราจะไปไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะแต่หากว่าเราได้ตระหนักสักหน่อยว่าเนี่ยสุขใดก็ตามนะก็ไม่อาจสู้ความสงบใจได้ก็ขอให้เราได้ใช้ชีวิตบำเพ็ญความเพียร น, นะเพื่อให้เข้าถึงภาวะความสงบนั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปนะก็ขอ อ, อ้างคุณพระรัตนตรยัยนะ อาศัยพุทธคุณธรรมคุณสาวคุณเนี่ยช่วยเหลือเอื้อเฟือ้อเกื้อกูลหรือว่าเป็นที่ระลึกนึกถึงเพื่อให้เรามีความเพียรในการเข้าถึงเข้าถึงธรรมจนมันเกิดปัญญาพาจิตออกจากความทุกข์เข้าถึงความสงบสุขกเกษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเถอ